เพิ่งพากันตั้งใจนั่งภาวนาอย่าก้มก้มแล้วมันหลับแล้วตั้งตัวให้ตรงตั้งสติให้แน่วแน่อยอยไปทำอ่อนแอนอนกันมาหมดคืนเยี๋ยวไปเชื่อกิเลส วิเลศนี่มันบันดาลให้คนโง่เขาเบาปัญญาเรื่องของโมหะไม่ต้องการให้คนมีสติมีปัญญาทำให้ใจมันบอดมองไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในวะตะทสงสารเพราะฉะนั้นอย่าไปเลี้ยงมันไว้ กิเลสเนี่ยโมหะความหลงอ่ะลักษณะแห่งโมหะก็มันก็มีหลายอย่างนี่ความว่วงเหงาหานอนวองพุ่งสัานลำคาญใจความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษ ต, ต่างๆว่านี้มันเป็นกรสายของโมหะความหลงทั้งนั้นเลย ให้เข้าใจกนันนั้นการที่เรามาฝึกภาวนาฝึกมาให้มันง่วงมันเงานี่ได้ชื่อว่าเป็นการฝึกกำจัดความหลงออกจา ก, ก จ, จิตใจฝึกมาให้มันคิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปในอารมณ์ต่างๆอันไม่เป็นสาระแกนสารอะไรมือนี่นะฝึกมาให้มันสงสัยลังเล ในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์แลอไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเช่นนี้ก็อย่าให้มันสงสัยนี่การภาวนาเนี่ยให้พึงรู้จักจุดประสงค์ของตนเองผู้ใดไม่รู้จักจุดประสงค์อย่างนี้ลวก็อย่างว่า น, นยพอ น, นั่งเข้าไปแล้วก็ ก้ล ม, ลลมลงก้มลงก็หลับฝันไปนั้นไม่ได้เรื่องอะไรแบบนั้นนะอันนั้นต้องต้องรู้ตัวแบบนี้นะ <c oughs> เกิดมาชาติใดชาติใดก็ไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้ทำสมาธิเพราะฉะนั้นความหลงมันจึงไม่ห่างไกลออกไปจากดวงกิดนี้ จึงเป็นผู้หลงจึงเป็นผู้เมาอยู่อย่างนั้นแหละมีจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปไม่หยุดยัง้งก็เนื่องมาแต่ชาติก่อนห้นหลังนั้นก็ไม่ได้ฝึกผลจิตใจเลยว่าอย่างทำบุญก็ทำบุญทำทานไปตามประเพณีเฉยๆ อันทางไหวพระนั่งสมาธิภาวนาเนี่ส่วนมากไม่ค่อยสนใจกันหรอก <c oughs> เวมาคิดเห็นว่าเป็นเรื่องของพระของเรนนูน่นไปอ่ะไม่ใช่เรื่องของขรืหัตอันขรืหัดนั่นนะความประสงค์ของคนส่วนมากมีแต่ชื่นชมยินดี ในกรรมคุณเมถุนสังโยชนั่นแหละถือว่าเป็นความสุขสบายมากเมื่อได้เผดเผนในกรรมคุณแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิด <c oughs> กรรมทั้งหลายน่ะมีรสอันอร่อยและเบื้องต้นนะแต่ท่าน ไปท่ามกลางหรือตอนปลายแล้วก็มีรถอันขมคืนก็ไม่รู้ตัวกันมันไม่ขมคืนยังไงแล้วคนมีบุญน้อยยิ่งขมคืนมากทำมาหาเรี่ยงชีพทำอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เจริญให้หาเงินหาทอง อาบเหงือต่างน้ำมันก็ไม่ได้มา <c oughs> นี่แหละที่ว่ามันขมขื่นในตอนปลายนะมันได้รับความทุกข์ทนทรมานเพราะมันไม่สมหวังในสิ่งที่ต้องการเนื่องจากว่าตนมีบุญน้อยตอนได้ทำบุญน้อยมาแต่ชาติก่อนโน่น จะมาธาตุนี่จยกให้มันเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญในความสุข ก, กายสบายใจเหมือนอย่างคนที่เขาได้ทำบุญมามากนั่นมันเป็นไปไม่ได้เรื่องมันนะดังนั้นเนี่ยควรพากันเข้าใจการนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตใจ ให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัยไม่ใช่เราฝึกให้ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งอื่นไม่ใช่หมายความว่าเมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วคุณแก้วสามประการก็จะมีอยู่ในจิตนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าหมายเอาอย่างอื่นพุทธะแประวะ่าผู้รู้นี่ใจมันรู้นั่นแหละมันจึงสงบลงได้รู้ว่าการทงกิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปรู้ว่าการสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษมวนนี่ไม่เป็นทางพ้นทุก ก็จึงแก้ไขตัวเองไม่ให้สงสัยเลยรู้ว่าความง่วงเหงาหายานอนมือนี่มันไม่ใช่ทางพ้นทุกมันทางไปสู่ทุกข์รู้อย่างนี้แหละจึงขจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปนั่นใจมันจึงสงบลงได้ธรรมะมันก็หมายเอาสภาพที่ทรงจิต ให้ตั้งมั่นอยู่เนี่ยไม่ให้วันไว้นี่เรียว่าธรรมะสังฆะคือความเพียรพยายามทำใจสงบให้ตั้งมั่นลงไปไม่ท้อไม่ถอยนี่สังฆะคุณมาตั้งอยู่ในใจจึงได้มีความบากบั่นมั่นหมายที่จะทำใจให้สงบไม่ท้อไม่ถอยถ้า ขาดคุณพระรัตนไกรแก่สามประการนี้แล้วไม่มีทางนะการที่บุคคลจะมาทําใจให้สงบระงับลงไปะทําไม่ได้ก็เมื่อมันไม่รู้่ะทีนี้มันไม่รู้ว่ากิเลสอันนี้มันเป็นภัยต่อชีวิตมันก็ไม่คิดที่จะกําจัดมันเลยมันอยากนอนก็อ น, นอนมันไปคืนยังรุ่งก็อ น, นอนมัน ไม่ต้องทำความเพียรอะไรแล้วถือว่าตนได้นอนหลับสบายแล้วก็มีความสุขแล้วนั่นแหละแล้วหารู้ไหมว่าตนนอนแช่อยู่กับกิเลสนั่นกิเลสมันก็มีโอกาสครอบงำจิตนั้นได้เต็มที่เลยทำให้คนนั้นไม่มีสติปัญญาอะไร ทำให้หลงทำให้เมาไปอยู่อย่างนั้นนะอย่าไปเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญนะกิเลสเหล่านี้นะสำคัญมากทีเดียวนะต้องขจัดมันออกไปไอความรักความชังก็ไม่ย่อยเหมือนกันนะผูดใดมันถือมั่นไว้ในใจแล้วคันพอไปนั่งภาวนาเข้าไป มันก็เกิดวิตกวิจารณขึ้นมาวิตกถึงสิ่งที่ตนรักตนชอบใจวิตกถึงบุคคลที่ตนเกลียดชังนั่นแหะวิตกเทใดความโกรธมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นเท่านั้นยังไม่รู้ตัวแบบนี้บางคนนะ่ะตนวิตกอย่างนั้นนะ่ะม่คิดเลยว่ามันเป็นบาปอากุศล ความมิตกความคิดอย่างนั้นนะไม่รู้ตัวเมื่อมันคิดมากๆเข้าไประงับไม่ได้มันก็ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปตามความคิดชั่วอันนั่นแหละดังนั้นทุกคนอย่าไปเลี้ยงกิเลสเหล่านี้ไว้เห็นโทษของมันแล้วเพียรละมันไปเรื่อยๆ พอสำคัญที่เห็นโทษของกิเลสนี่แหละถ้าไม่เห็นโทษแล้วจะไปละมันทำไมละ่ะมันก็ไม่ละกันหลยเมื่อไม่เห็นโทษมันก็เห็นคุณของมันก็ยึดถือเอามันไว้มันก็มีสองทางเท่านี้หละถ้าเห็นโทษแล้วก็ไม่เห็นคุณแบบนี้นะคือไม่เห็นว่ากิเลสนั้นมันจะมีคุณอะไร สักหน่อยเดียวถ้าสะสมมันไว้ก็มีแต่มันก่อทุกข์ให้เท่านั้นแหละต้องเห็นอย่างนี้ก่อนนะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วภาวนาไปก็ไม่ประโยชน์อะไรเลยไม่เศร้อยู่ภาวนาไปทำไมนี่มันก็มีแต่นั่งงกนั่งง่วงอยู่เฉยๆนี่นะมันเป็นยังไ ถ้ามันเห็นโทษของกิเลสต่างกล่าวมานี่แล้วมันจะไม่นั่งโงกนั่งง่วงเลยแบบนี้นะจะพยายามตั้งสติให้เข้มแข็งสติเข้มแข็งแล้วมันก็สู้กับกิเลสเหล่านี้ได้ถ้าสติสัมปชัญญะนี้อ่อนแอแล้วสู้ไม่ได้เลย มีแต่หลับไหวไปแล้วนั่งอยู่ก็ดีดังนั้นอย่าพากันประมาทอย่าปล่อยให้กิเลสเหล่านี้ครอบงาจิตลุกขึ้นมาสู้กับมันมันจะทำให้เราไม่มีสติไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาก็เอาตัวเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานี่มานับชาตินับพบไม่ทนแล้วเมื่อไรแล้วถึงจะตื่นตัวกันสักทีไม่ควรจะอ้างโน้อนอ้างนี้บางคนก็อ้างว่าทนเจ็บป่วย ทำความเพียรไม่ไหวเอา้าเจ็บป่วยก็มันเดินไม่ได้กับนอนภาวนาสิมันนั่งไม่ได้กับนอนภาวนากาหนดพิจารณารู้ทุกข์รู้เท่าทุกข์นั่นทำความรู้เท่าเท่านั้นแหละในเวลาเจ็บใกล้ได้ป่วยลงไม่ต้องคิดอะไรให้มาก เห็นว่าขันอันนี้ขันดังห้า น, นี่นะมันเป็นทุกข์อยู่ตามธรรมชาติของมันเหตุที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงถึงเวลามันแปรปรวนไปมันก็แปรไปก็ไปกระทบกับจิตนั่นแหละนั่นถ้าจิตไม่ฉลาดก็วันไว้ไปตามมันก็มีอย่างนี้แหละถ้าจิตฉลาดมีปัญญาก็รู้เท่า สอนต้นเออขันห่านี่มันเป็นทุกข์อยู่อนี้ตามธรรมชาติธรรมดาของมันตนหักมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้ทําอย่างไรได้ก็ต้องรู้เท่าถ้าไม่รู้เท่าก็เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้ารู้เท่าทําจิตได้ตั้งมั่นไม่วันไวจิตก็ไม่เป็นทุกข์ไปตามนั่น เราอดกั้นทนทานได้เนี่ยดีกว่าปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปฟุ้งซ่านไปต้องให้เห็นอย่างนี้เพราะการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปหนีทุกหนีไปเท่าไหร่มันก็ไม่พ้นมันตามไปแหละจะส่งจิตไปฟากฟ้าเดนดินที่ไหนทุกมันก็ตามไปอยู่นั่นแหละให้เข้าใจ ถ้าเราสู้นะกำหนดอดทนอดกั้นในวันไหวไปตามทุกพร้อมทั้งใช้ปัญญาสอนจิตที่เข้าไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็ขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนนะแล้วจะให้มันเที่ยงยั่งยืนได้อย่างไรจะบังคับมันได้อย่างไรลักษณะอาการของขันหา้ามันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นี่ลักษณะของขันหามีอย่างนี้มันมีอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อเกิดแล้วนะลักษณะสามประการนี่นะไม่ใช่มันเพิ่งมีเนี่ยเราต้องกำหนดรู้อย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ก็ไม่ต้องวันไหวไปตามขันห้าแล้วพยายามควบคุมจิตอันนี้ พระคองจิตที่ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนะขันหามันจะแปลปรนไปจิตก็จะไม่แปลปรวนไปตามขันหามันวันไว้จิตก็จะไม่วันไวไปตามจะตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้แหละอออย่างนี้ตั้งอยู่ตั้งมั่นอยู่พร้อมทั้งรู้เท่าอย่างที่ว่านั่นแหละคล้ายๆกับว่าเรา มีตาแล้วมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวนี่นะมองดูตามสภาพธรรมดาของมันอย่างนั้นนะมองดูอยู่งั้นอะไรเป็นไปยังไงก็มองเห็นอยู่อันตาหนังภายนอกนี่คือดีอันตาภายในก็มองดูนามดูรูปอันมันแปรปรวนไปอยู่เนี่ยมองดูอยู่ แต่ว่าจิตไม่วันไหวไปตามมันมองดูให้รู้แจ้งตามธรรมดาเสมอไปอย่างนี้นะมองดูรู้ว่าตนไม่มีอยู่ในขันห้านั้นขันห้าก็ไม่ได้มีอยู่ในตนตนไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นตนนี่กาหนดรู้อย่างนี้นี่เรียกว่ารู้ตามความจริงนะ ความจริงเป็นอย่างนี้แท้ๆ อ, อันที่มันสำคัญว่าขันห่าเป็นตัวเป็นตนตนั้นมันหลงต่างหากนี่มันไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเหตุนั้นถึงได้หลงให้เข้าใจผู้ใดอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมั น, มนก็รู้ชัดอย่างที่ว่านั้นน่ย รู้ว่าไม่ใช่ของตนจริงจังเลยแบบนี้นะอืออันนี้แหละเรียกว่าเจริญอเอจริญวิปัสนาการใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองนี่นะนั่นแหละเรียกว่าเจริญวิปัสนาให้เข้าใจผู้ใดยังไม่มีอุบายปัญญาสอนจิตตัวเองได้ผู้นั้นชื่อว่ายังไม่ได้เจริญวิปัสนาญาณต้องให้เข้าใจ เพิกใจให้มันตั้งมั่นลงไปแล้ววันนี้ก็ใส่ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปใจมันสำคัญผิดอย่างไรก็พยายามสอนให้มันสาคัญถูกขึ้นมาให้มันรู้แจ้งขึ้นมา อ, อย่างนี้มันต้องมันต้องสอนนะมันจึงรู้แจ้งนนกันได้จิตนี้นะ่ะ อยู่เฉยๆอย่างนี้จะให้มันรู้แจ้งขึ้นไม่ได้แ้่พูดสั้นๆแล้วก็หมายความว่า ต, น เ, น, ตนเองนะ่สอนตนเองเนี่ยปัญญาก็เกิดจา ก, กจิตนั่นเองเนี่ยนี่ใช่เกิดจากอย่างอื่นเกิดจา ก, กจิตแล้วก็กลับมาสอนจิตอีกทีหนึ่งปัญญานั่นน่ะปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวัสเวหิวิมุตติ ปัญญาเมื่ออบรมจิตให้ดีแล้วย่อมได้วีมุตต์คือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเห็นเป็นยังไงเดินอของปัญญานี่นะอย่าว่าแต่จะละอาสะกิเลสท่านละเอียดให้หมดไปเท่านั้นกิเลสยำยาบก็อาศัยปัญญานี่แหละสอนเข้าไปเช่นความโลภจัด ความโกรธจัดความหลงจัดหมู่เนี่ยถ้าผู้ใดไม่รู้จักใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองแล้วก็นั่นแหละมีแต่ส่งจิตเพ่งเลงไปในสมบัติผู้อื่นน่นเห็นเขาร่ำรวยมั่งมีมากๆคิดอยากได้ของเขาเป็นของตนเข้าไปแล้ววางแผนในใจแล้วนั่นนั่นแหละคือ คือความโลภนะให้เข้าใจความเพ่งเลงเนะี่ยนั่นท่านได้ ว, ว่าความโลภจัดเมื่อความเพ่งเลงอย่างนั้นมันไม่หยุดลงมันก็เอาละก็วางแผนไปทำบาปตามที่ตนคิดไว้นั่นแหละไปแย่งเอาสมบัติพู้อื่นมะาเป็นของตนเนะื้อถ้าพูดถึงทางกรรมคุณ เมถุนสังยชนอันนี่ก็ไปแย่งเอาเมียเขาถ้าเป็นผู้ชายก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปแย่งเอาผัวเขามาเป็นหัวตนนั่นความโลภในกามมาตัิหาเป็นอย่างนี้ด่าดื่นนะคนในโลกอันนี้นะไม่กลัวนรกอเวจีอะไรเลยอพระพุทธเจ้าแสดงไว้โอ้ยตกนรกไปแล้ว กรรมเวรเนี่ะมันบันดาลให้ปีนป่ายขึ้นต้นยิ้วอ้าวขึ้นไปพอขึ้นไปทีแรกต้นยิ้วนี่ยหนามมันซ้องขึ้นบนขั้นพอสัตว์นรกขึ้นไปหนามมันจัดซ้องลงมาข้างล่างทิ่มแทงเอาร่างกายของผู้นั้นเจ็บปวดทุกขเวทนาอ้าวแล้วทําไมยังไม่ขึ้นไปต้นยิ้วนี่ยอ้าวมันร้อนนี่ จมอยู่ในน้ำนะมันร้อนนะเห็นต้นไม้อยู่นะมันก็ตะเกียกตะกายขึ้นไปแล้วหนีร้อนนะน <c oughs> หนามของต้นงิ้วเนะี่ยมันก็แทงเอาซะตายตกลงมาตายแล้วกรรมไม่หมดระเกิดขึ้นไหม่อีกอ น้ำร้อนลวกไฟเผาร้อนหลายพัตเตเกียตะกายขึ้นต้นงิ้วนั้นหนามงิ้วผระแทงเอาอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจะหมดกรรมหมดเวรอันนั้นโทษกามเมสุมิชาจาันนี่พูดตามตำรานะไม่ได้เดาเอาอะ <c oughs> <c oughs> ไอสุนัขมันก็มีอยู่ในนรกดัวยนะบางทีสุนัข ก, กัด ยื้อแย่งกัดกินเนื้อกินหนังของสัตว์นรกนั้นอให้ล้มให้ตายลงไปบาปกรรมยังไม่หมดเกิดขึ้นมาใหม่อีกอยู่อย่างนั้นเนี่ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ผู้พูดนี่เชื่อร้อยเปอร์เซนตเลยครต้องเป็นอย่างนั้นจริงจริงเนี่ยอ สมกับที่ว่าผู้ใดทํากรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งแห่งกรรมอันนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะ <c oughs> มันไม่เหมือนอย่างคุกในเมืองมนุษย์นะคุกของพวกสัตว์โลกอ่ะคุกของเมืองมนุษย์นี่โอยมันไม่ทุกข์เท่าไรหรรอกสมัยทุกวันนี้เขายิ่งผ่อนผันมาก ได้หลับได้นอนดีเว้นเสียแต่โทษหนักๆเขาหนุ่ใส่โซ่ใส่ตรวนเวลานอนก็ดีโทษดังหนักนะถ้าโทษเบาหน่อยก็ได้นอนตามบาสบายสบายไปเป็นอย่างนั้นอันในนรกมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่นรกมีทั้งแปดขุมนุ่น ผู้ใดบาปหนักเอาตกอเวจีผู้ใดบาปเบากว่านั้นตกมหาโรลุวะนรกตาปะนรกอผู้ใดทําบาปเบากว่านั้นก็ตกนรกขุมที่ไม่ร้อนมากเท่าไรอ่อะนั่นอย่างนี้แหละมันมีเรียกว่าบาปกรรมนี้ยุติธรรมที่สุด ไม่มีอะไรจะยุยุติธรรมเท่าบุญและบาปต้องให้เข้าใจกันแล้วกันก็เมื่อบาปมันยังให้ผลเป็นสุขสบายได้คิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยเมื่อบุญให้ผลเป็นสุขสบายได้บาปมันจะให้ผลเป็นทุกข์ไม่ได้เลยนั่นมีมันมีเครื่องเทียบกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยจะไปเข้าใจว่านารกไม่มียังไงแล้ว จะไปเข้าใจว่าบาปจะไม่ให้ผลเป็นทุกข์แก่ผู้กระทำอย่างไรแล้วถ้าเช่นนั้นบุญมันก็จะไม่ให้ผลเป็นสุขสิถ้าบาปมันไม่ให้ผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงสั่งสอนให้ละบาปให้ทำบุญแล้วถ้าว่าทำบุญก็ไม่ได้ผลเป็นสุขอย่างนี้ทำบาปก็ไม่ได้รับผลเป็นทุกข์เช่นนี้นะ พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนคนให้ละบาปบำเพ็ญบุญเลยถ้าเป็นอย่างนั้นต้องคิดให้มันเห็นอย่างนี้ก่็แล้วกันนะ <c oughs> ผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละผู้นั้นจะได้เว้นบาปได้เลยวันนี้นะไม่ต้องอ้างโ น, น่นอ้างนี่อะไรเลยบาปนี้เป็นหน้าที่ของเราจะต้องเว้นเพราะเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ อย่างนี้ถ้าบาปอันใดที่ลุ่มหลงทำมาแล้วเราก็ยอมยอมรับว่าได้ทำจริง <ừ. S 1> เพราะยังไม่รู้บัดนี้รู้แล้วว่าบาปมันให้ผลเป็นทุกข์จริงข้าพระเจ้าจับไม่ทำมันอีกต่อไปจะสำรวมระวังกายวาจาใจตลอดไป สิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ข้าพเจ้าจาักไม่ทามันต่อไปอีกนี่อธิษฐานใจอย่างนี้ทุกวันทุกวันไปนั่งภาวนาสมาธิอธิษฐานลงไปแล้วก็ด้วยอํานาจความสัตด์ความจริงอันนี้ขอให้บาปกรรมที่ข้าพเจ้าทํามานั้นจงหมดไปสิ้นไปจา ก, กจิตใจของข้าพเจ้านี้ นี่มันต้องอธิษฐานอย่างนี้นะบาปมันถึงจะเบาบางไปหมดไปจากกิจใจได้ถ้าไม่อธิษฐานอย่างนี้แล้วมันไม่หมดเลยบาปาให้เข้าใจการที่บุคคลมาอธิษฐานในใจอย่างนี้นะแสดงว่าเบื่อบาปเต็มทนแล้วไม่ต้องการบาปแล้วแต่แล้วเราจะเอาอำนาจบาท ย, า ย, ย่างอื่นใดนั่นมาขับ ไล่บาปนี่มันขับไล่ไม่ได้เลยมีแต่เราอธิษฐานถึงคุณแก้สามประการอธิษฐานถึงบุญบารมีที่เราได้กระทําบําเพ็ญมาให้มาเป็นกําลังใจของเราในอันที่จะละบาปนี้นี้แหละบาปมันจะหมดไปได้เพราะเราชอบกับบุญกับคุณ น้อมอาบุญเอาคุณเข้ามาตั้งไว้ในใจนี่แล้วบาปมันก็ต้องถอยออกไปเพราะว่าใจไม่ส่งเสริมมันมันก็ไม่มีอำนาจอะไรบาปนั่นนะบาปจะมีอำนาจได้ก็เพราะใจไม่ส่งเสริมมันต่างห่างนี่ใจนั่นชอบกับมันน่ะชอบกับบาปบาปมันจึงเลยมีอำนาจขึ้นมาได้นั่นอย่าไปชอบกับมันทีนี้ เมื่อผู้ได้รู้ตื่นตัวได้แล้วว่าบาปมันให้ผลเป็นทุกข์นะเพราะว่าตนไม่ต้องการทุกข์ไม่ว่าใครๆพอพูดกันเรื่องทุกข์แล้วก็ไม่ต้องการเลยเหมือนอย่างคำปรำปราที่พูดกันมาว่าค <c oughs> ันว่า เว้าเรื่องทุกเราก็ไม่อยากปากคันว่าเว้าเรื่องอยากเราก็ไม่อยากหัวคันว่าเวาเรื่องผัวเมียนี่ตาลับแล้วหูได้ยินสบัดก้อยลุกนั่งพลนวลนี่แหละมนุษย์เราอ่ะมันตกเป็นทาสของตัณหาเพราะฉะนั้น อันทุกนั่นไม่อยากพบอยากผ่านนะออมันเนี่ยอันถ้ามาปารบขึ้นเรื่องทุกข์แล้วเอ้ยไม่ไมนน่เรามาพูดเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องสนุกสนานดีกว่าเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะคนในโลกอันนี้ส่วนมากนะเพราะฉะนั้นมันจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงเล่ามันเนี่ย ถ้ามีใครไปอุตริปาโลกขึ้นชาติความเกิดเป็นทุกข์นาความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะอย่างนี้แล้วเบืออหน้านี้เลยไม่ฟังแล้วมันเป็นยังไง <c oughs> ถ้าว่าพูดว่าแม้คนนั้นเขาไปค้าได้กําไรงามเหลือเกินนะเขาไปค้าขายอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ย ได้กำไรมากเที่ยวตาลุกขึ้นเลยอ่ะมีใครมาว่าแม่เจ้านั้นไดเมียงามเหลือเกินอย่างนี้นะโอ้ดีอกดีใจชื่นใจอยากได้ขึ้นมาอีกลตัวเองก็ดีโอ้หญิงคนนั้นได้ผัวงามเหลือเกินนะผัวเป็นอาเซียจะด้วยอย่างนี้ผู้หญิงกระตาลุกขึ้นเลยอนะ่ะอยากได้ผัวเช่นนั้น นี่แหละบุคคลผู้เป็นธาตุแห่งตัญหาแล้วนะมันเป็นอย่างนี้แหละมันถึงได้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่ผู้ใดไม่เบื่อไม่น่ายต่อความโกรธอย่างนี้ไปเที่ยวโกรธคนนั้นคนนี้อยู่อย่างนั้นแล้วกรรมเวียนี่มันจะตามสนองเกิดมาชาติใดก็มา ทะเลาะกับเพื่อนอยู่งั้นนีเไ อ, อไม่หยุดไม่ยั้งแล้วนั่นก็มันชอบอย่างนั้นนี่เมื่อมันชอบอย่างนั้นกรรมมันก็อำนวยให้นั่นแหละมันดีเมื่อไหร่ละไอ้ไปทะเลาะหมดแล้วกลับมาเกิดเป็นคนนิสัยเนี่ยมันยังติดตามมาอยู่นั่นไง น, นั่นไง ต่อเมื่อใดบุคคลพูดนั่นนะเห็นโทษแทงความโกรธความอิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อนั่นแหละอธิษฐานใจละเว้นดังกล่าวมานั่นเสมอเ ส, สมอไปล่ะนั่นแหละบาปกรรมมันั้นมันถึงจะหลุดถอนออกไปจากดวงกิจนั่นมันจึงจะไม่ติดสอยห้อยตามไปในภพในชาติต่อไป เหมือนกันเนะ่ะคนเจ้าชู้มากๆในกามก็เหมือนกันนะถ้าไม่เห็นโทษตรับใดไม่อธิษฐานใจละให้มันเบาวางลงไปแล้วก็นิสัยอย่างนี้มันก็ติดตามไปอยู่งั้นเลยกิดไปชาติใดก็ไปเป็นคนแต่เจ้าชู้อยู่งั้นแล้วเดี๋ยวก็ไปล่วงเกินภรรยางคนอื่นสามีคนอื่นอตายแล้วก็ไปตกนรกไปปล่อยให้ หนามเยียวมันแทงเอาอยู่งั้นเนี่ยอันนี้นะป้าเป็นสิ่งที่ควรคิดอันพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์ไม่ได้หลอกลวงคนนะพระองค์รู้แจ้งด้วยปัญญาจริงๆนี่บางคนวิจารณ์กันว่าโอ้ยมันไม่มีรอกนรกในโลกหน้าเทนะ่านั้นมีแต่นรกในปัจจุบันนี่แหละ คือคุกขาตะลางอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นก็เพื่อว่าหลอกให้คนกลัวไม่ให้เอเบียดเบียนกันไม่ให้ทําชูา้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นเขาเท่านั้นเองเนี่ยมันมันเป็นทุกข์แต่ในปัจจุบันนี่แหละมันเดือดร้อนในปัจจุบันนี่แหละ ตายไปแล้วมันไม่ได้ไปตกนรกอย่างว่านหรกพระองค์สมมุติเอามาขู่คนผู้มากๆในกามอย่างนั้นให้กลัวไม่ให้ไปแย่งสิงเอาของรักของชอบใจของคนอื่นเท่านั้นหรอกไอ้อย่างนี้ก็มีความเห็นของคนนะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้ล่วงเกินสามีภรรยาของกันและกันนะบางคนยังเห็นไปว่า สมมติว่าเขาทอดกระถินกองหนึ่งอย่างนี้นะเรามีอะไรก็ไปเพาะไปโมกับเขาอะ่ะเราก็ได้บุญไม่ใช่เหรออันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเขาสร้างลูกสร้างคนขึ้นมาประดับโลกเนี่ยแล้วเราไปสมทบร่วมกับเขาให้ให้เขาได้เกิดเป็นคนขึ้นมามันก็ได้บุญไม่ใช่เหรอ อย่างนี้ก็มีนะความเห็นบางคนนะคนผู้ฉชนั้นนะับว่าเป็นคนเจ้าชู้อย่างยิ่งเลยทีเดียว น, ะนี่แหละความเห็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความเห็นถูกอ่ะความเห็นผิดนะี่การทาบุญ น, ะนั่นเมื่อทราบว่าผู้นั้นทำบุญตั้งกองบุญขึ้นตนมีวัตถุชัยทานอะไรก็เอาไปสมทบด้วย โมทนากับเพื่อนอันนั้นได้บุญจริงๆอันนั้นนะอันนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสห้ามไว้ทันสิ่งใดที่พระองค์เจ้าไม่ได้ทรงห้ามทรงอนุญาตแล้วสิ่งนั้นไม่มีโทษถ้าสิ่งใดที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วสิ่งนั้นมีมีโทษผู้ใดล่วงเกินก็เป็นบาปเป็นกรรม เราต้องถือเอาคำสอนพระพุทธเจ้าีนเป็นหลักเครื่องตัดสินจะไปเอาความเห็นของคนทั่วๆไปมาตัดสินไม่ได้เลยเพราะคนทั้งหลายสุดมา ก, กไม่รู้นี่เมื่อไม่รู้แล้วมันก็ทําก่ก็พูดไปตามที่ไม่รู้นั่นแหละเอาคนไม่รู้เหมือนกันฟังเข้าไปเชื่อกันทานนี่นะเลียนแบบกันไปนี่เหมือนเหมือนอย่างนิทานท่านกล่าวไว้ว่า ตาบอดคำช้างนั่นเลอช้างตัวเดียวนั่นหละมันไปคำคนละที่ละแห่งกันแล้วก็มาเถียงกันแบบนี้นะเอาไปคำถูกหางช้างอย่างนี้ผู้คำถูกหางช้างก็บอกว่าเออช้างนี่เหมือนกับไม่กวดเลื่อนนี่นว่าพูไปคำ ถูกเท้ามันอย่างนี้มันก็ค้านเลยว่าอู้ไม่ใช่ช่างนี่เหมือนกับสูบเหมือนกับสูบถูกไฟตีเหล็กนั่นนะ่ะว่านั่นน่ะสูบอันนั้นมันกลมๆนี่มันนะ่ะขาช่างมันก็กลมๆอย่างนั้นแหละผู้ผู้หนึ่งไปคำไปถูกหูมันเนาะมันค้านว่าไม่ใช่ ช้างนี่นะมันก็เหมือนกับกระด้งฝัดเข้านั่นแหละอั ว, วเถียงกันไม่ตกลงกันได้มันเมื่อคนตาดีนะมาชี้แจงให้ฟังพี่ไอ้พวกเธอนั่นนะ่ะไปคำช้างนะมันถูกทุกคนนั่นแหละแต่มันถูกเพียงบางส่วนเท่านั้นมันไม่ถูกหมดทั้งตัวช้างเนั ไม่ต้องเถียงกันหรอกธรรมดาช้างนะมันก็มีครบพันเหมือนอย่างคนนี่แหละคนมันก็มีครบเครื่องตามลักษณะของคนช้างมันก็มีครบเครื่องของช้างนั้นแหละมันจึงรวมเรียกว่าช้างได้ถ้ามันขาดอันใดอันหนึ่งลงไปแล้วมันมันไม่ครบก็ไม่เรียกว่าช้างเมื่อผู้รู้ผู้เห็นผู้ตาดี มาชี้แจงให้ฟังอย่างนี้มันจึงหยุดทะเลาะกันได้จึงหายสงสัยนี่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยคนไม่รู้เนี่ยเมื่อต่างคนต่างก็ไม่รู้แล้วออกความเห็นต่อกันอะไรกันเนี่ยใครก็ไม่ยอมรับความเห็นของใครโดยสำคัญว่าความเห็นของตัวนั้นถูกฝ่ายเดียว ความเห็นของผู้อื่นนั้นผิดมดอื <c oughs> แต่แท้ที่จริงแล้วมันผิดด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละอื <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อใดถ้าผู้ใดรู้จริงแล้วอย่างนี้นะพูดออกมาให้คนฟังเมื่อคนไม่เชื่อไม่เอาตามแล้วก็ไม่ต้องไปโต้ของ เออใครไม่เอาตามแล้วก็แล้วไปก็วางเฉยเสียงนันเนี้ยนั่นเรียกว่าผู้รู้จริงแท้ๆนั่นนะอันผู้ที่ตนแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาให้คนอื่นฟังแล้วเมื่อคนอื่นเขาคัดค้านว่าไม่จริงไม่จริงอย่างนีนน้ตัวเองก็ดันว่าจริงๆเอาไปเอามาก็โกรธกันแบบนี้นะนั่นเรียกว่ามันรู้ไม่จริงอ่ะ ตนยืนยันว่าจริงแต่เรื่องที่ตนเห็นนั้มันไม่จริงเหตุนั้นมันจึงได้เกิดโทโซโมโหต่างๆขึ้นทะเลาะวิวาดกันถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ควรจะไปถือมั่นว่าความรู้ความเห็นอย่างนั้นมันจริงต้องทบทวนไหมถ้าหากว่ามันรู้จริงแล้วใจของตนจักไม่วันไหว ใครจะคัดค้านว่าไม่จริงอย่างไรก็ช่างเมื่อเขาไม่เอาตามแล้วข็แล้วไปแต่ความจริงใจของตนมีอยู่แล้วไม่ต้องไปทะเลาะไม่ต้องไปทุ่มเถียงกับใครไม่ต้องไปบังคับให้ให้ใครเอาตามเชื่อตามทำได้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ทะเลาะกันแหละคนเรานะเหมือนกับคนหนึ่งตาดีแล้วคนหนึ่งตาเสียอย่างที่ว่านั่นเนี่ย คนตาดีมันก็ไม่ไปโกรธไปตำหนิตีเตียนคนตาบอดแล้วมีแต่ชี้แจงเหตุผลให้คนตาบอดฟังด้วยดีเท่านั้นเองคนตาบอดจะเอาตามก็ตามไม่เอาตามก็แล้วไปถ้าเขาเอาตามแล้วก็เป็นบุญของเขาไปอเท่านั้นแหละคนตาดีนั่นอุปมามันยังคนที่มีปัญญา รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆงนื่เบงันดังนั้นนะการฝึกจิตใจนจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทุกเพศทุกวัยนะไม่ใช่แต่เพศนักบวชคอหัดก็มีหน้าที่ที่จะต้องฝึกผนจิตใจตัวเองเพราะถ้าไม่ฝึกแล้วมันอย่างว่านั้นนั่นก็เห็นผิด เป็นชอบไปเมื่อมันเห็นผิดเป็นชอบไปเช่นมันเห็นว่าการทำอย่างนี้ไม่เป็นบาปอย่างนี้นะมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางที่เป็นบาปบาปนั้นแหละซึ่งการทำการพูดอย่างนั้นมันผิดเพราะพุทธเจ้าบัญญัติห้ามแล้วอย่างนี้นะมันก็ยังขืนทำขืนพูดไปอยู่เช่นนี้แล้วจะมปให้ผู้นั้นได้บาปอย่างไรเล่า เพราะว่าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแล้วจึงได้ทรงบัญญัติถ้มไว้อย่างนี้แต่พวกนั้นไม่เชื่อไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ต้องได้ประสบกับความทุกข์ในภายหลังจริงๆบุคคลผู้มีปัญญาแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนีอเราเมื่อเริ่เมื่อเรามาพิจารณาดู คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันมีเหตุมีผลเพียงพอเนี่ยนั่นแหละมันมีเหตุมีผลเพียงพอที่จะให้เราเชื่อได้เลยเชื่ออย่างสนิทใจ จ, จริงๆ น, นั่นนะเช่นอย่างทรงสแสดงว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะใครจะปฏิเสธได้หรือว่าตัณหามันไม่ไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เว้นเสียแต่คนที่มีมานะทิษฐิจัดหวังจะเอาชนะผู้อื่นด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นแหละมันถึงจะคัดค้านโดยจะอ้างไปว่าอ้าวตัณหามันไม่ใช่เป็นหนี้ได้เกิดทุกข์อย่างเดียวมันให้เกิดสุก็มีอย่างนี้เจ่นค้น มีเงิ น, ม, งนมีทองมากๆอย่างนี้นะก็ก็เพราะตัณหานั่นแหละทำให้เขามีเงินมีทองมากมันอยากได้เงินก็ขยันหมั่นเพียรทําการงานก็ได้เงินได้ทองมาเขาอยากได้ยศได้ศักดิ์กมเรียนวิ ช, ชาความรู้ให้สูงขึ้นได้เป็นเจ้าเป็นนายเข้าไปมันก็มีเกียรติมียศขึ้นมาก็เพราะตัณหานี่ไม่ใช่เหรอ นั น, นีหลคนผู้ไม่รู้แจ้งมันก็ค้านนะมันก็ชี้เหตุผลออกมาจิงอยู่ความสุขที่บุคคลได้รับอย่างว่าเกิดจากกันหานั่นนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธนะพระองค์ก็ยังกล่าวว่าการมาสุ ข, ขันลิกาโยกนะนั่นแหลอันการมาสุ ข, ขันลิกาโยกแปลว่าการมาสุขเนี่ย อันกามนี่มันก็ให้เกิดความสุขเหมือนกันเพราะมันให้เกิดความสุขนั่นแหละคนมันถึงติดมันจึงได้ผูกพันกับมันนี่ถ้ามันไม่ให้ไม่ให้มีความสุขเฉลยนั่นคนจะไม่ไปติดกับมันหรอกไม่ไปผูกพันกับมันแต่ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวสุขไม่ยั่งยืนสุขเจืออยู่ด้วยทุกมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นพระ อ, องค์เจ้าเลยเลยทรงรวบรัตัดตอนเอาว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เสียเลยเพราะถึงมีความสุขได้มันก็สุขชั่วคราวหนึ่งไม่ยืนนานอะไรเลยอย่างนี้นะคล้ายๆกับว่าเป็นความสุขชั่วช้างพับหูงูแลบลิ้นเท่านั้นเองแล้วก็หายไปเอ้า ยกตัวอย่างมาสิอา้าวยกตัวอย่างได้เลยยกตัวอย่างว่าเราเกิดมาในโลกนี่คนเกิดมาในโลกนี่ทุกคนก็ทีแรกนะเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมามันก็เอาล้วสแสวงหาความรักความใคร่นั่นเมื่อได้ได้สิ่งที่ตนรักตนใคร่แล้วก็มาเฉยชมมาสนุกส น, นานกันไป และวันนี้อันร่างกายที่เป็นที่อาศัยของดวงกีจเนี่ยและมันได้มันได้ให้อาศัยเป็นสุขสนุกสนานไปในสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั้นไปได้นานเท่าไหร่บวกรบคูณหารกันรู้นั่นเนี้ยมันจะนมนานอะไรไม่กี่ปีคนสมัยนี้นะอายุสามสิบสี่สิบห้าสิบปีไปแล้ว ไอ้ความรักความใคร่ความเพลิดเพลินต่งางๆมันย่อนสมรรถภาพลงไปแล้วร่างกายก็สุดโทรมไปแล้วบางคนอายุห้าสิบปีฟันหลุดออกไปแล้วเกือบหมดเลยตามัวแล้วหูอื้อแล้วผมก็เริ่มหงอกกราบปลายมาแล้วอย่างนี้เลยแล้วอยู่ไปถึงหกสิบเจ็ดสิบปีไปร่างกายนี้ก็สุดโทรมไปแล้ว แล้วมันจะเอาความสุขในการมาคุณนั่นมาแต่ไหนหนอยนึงก็ตายาแล้วเราจะเอาความสุขนั้นมาแต่ไหนเมื่อตายลงไปแล้วความสุขนั้นก็หายจ้อยแถมถ้าไปทํากรรมชั่วอันไว้ไว้เพ่อ伽มาคุณนั่นกรรมชั่วนั้นมันก็ฉุดลงไปไม่อยู่ในนรกอบายภูมิโู่นเอนั่นแหละ ต้องพิจารณาดูให้ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ธว่าตันหาเป็นเนตไดเกิดทุกนั้นใครค้านไม่ได้สําหรับคนมีปัญญาคนมีมาน้าจัดนั้นค้านแหละอันนั้นยกให้เขาไม่ว่าคนมีเหตุผลแล้วเขาไม่ค้านแล้วเขายอมรับยอมรับแล้วก็ยอมละมันพยายามตัดทอนให้มันเบาบางไปเรื่ลย เมื่อละตันหาไปได้เท่าไร่ทุกก็ดับไปได้เท่านั้นเนะี่ยทุกทางใจนะไอ้ทุกของร่างกายนี่แม้ว่าบุคคลนั้นจะละทันหาหมดสิ้นไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละทุกขของร่างกายนะมันก็วิบัติก็แปรปวนไปอยู่อย่างนี้แหละเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยมันคือหมดปุณณหมดกรรมลงมาไดนะ้ร่างกายนี่ก็แตกทําลายลงเท่านั้นเองส่วนจิตนี่มันก็ เมื่อละตัณหาได้หมดสิ้นแล้วทุกข์ก็ดับไปโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลืออยู่ในจิตเลยความทุกข์นั้นดังแสดงมา